มวนมันมีข่าวสองข่าวเกิดคนละที่แล้วก็คนละเรื่องละลาวเลยข่าวแรกนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกข่าวที่สองนี่เป็นข่าวเล็กๆข่าวแรกที่เป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกคือมีดาราชื่อดังคนหนึ่งนะของฮอลลีวูดนะชื่อโรบินวินเลียมนะเขาเสียชีวิตอายุก็ยังแค่ไม่มากนะาปี นะที่เสียชีวิตเพราะเขาฆ่าตัวตายอีกคราวหนึ่งนะก็เกิดขึ้นที่โคราชนะคือมีการทำบุญครบรอบ21ปีของเหตุการณนะ์โรยเออพลาซาจำได้ไมโรยเออพราซานี่คือชื่ออะไรนะชื่อตึกชื่อโรงแรมนะที่มันถล่มลงมาเมื่อ21ปีก่อนนะคนตายไปเกือบ200เกือบคน ข่าวใหญ่มากตอนนั้นแต่วันนี้มันก็เป็นข่าวเล็กๆนะเ mm. ทียบไม่ได้กับข่าวโรบินวินเลียมใครที่ดูหนังฝรั่งนี่นะก็คงจะเคยผ่านตานะดูหนังของโรบินวินเลียมพราะเขาเล่นหนังมามานานทีเดียวนะก็สี่สิบปีได้มั้งแล้วก็เริ่มดังมาเมื่อตั้งแต่สักสาสิปีที่แล้ว หนังที่เขาเล่นนี่เป็นหนังที่มีคุณภาพเป็นหนังที่ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกดีคือมีความหวังกับชีวิตจำได้ว่าเคยดูหนังของเขาเนี่เมื่อเกือบสาิปีก่อนเป็นเรื่องของนักเรียนที่เบื่อนายไม่รู้ว่าตัวเองเรียนไปเพื่ออะไรแล้วก็ได้เจอครูดีนะที่ทำให้เขาเกิดเกิดไฟในการเรียนรู้ว่าชีวิตนี้ เรียนไปเพื่ออะไรนะผู้งานคือทให้นักเรียนเนี่ยได้ค้นพบตัวเองนักเรียนก็มีความสุขนะมีไฟในการเรียนในการดำเนินชีวิตนะครูคนนั้นก็คือโรบินวิลเลียมนะที่เป็นนักแสดงบางเรื่องเขาก็ทำให้คนเนี่ยช่วยคลายความรู้สึกผิดนะบางทีมีความรู้สึกผิดติดข้างกับคนรักแล้วก็ได้คลี่คลายความรู้สึกนั้นนะนะหลายคนก็ได้รู้สึกแบบนี้จาก หนังที่เขาเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนังที่ทำให้คนรู้สึกดีกับชีวิตนะมีความหวังไม่มีความท้อแท้บางเรื่องเขาก็เล่นเป็นหมอที่ทำให้คนไข้เนี่ยหายเจ็บหายป่วยเพราะว่าใช้อารมณ์ขันหมอส่วนใหญ่ก็สนใจแต่ร่างกายนะแต่ว่าไม่สนใจ จ, จิตใจเขาก็เล่นเป็นบทหมอที่ทำให้คนไข้มีความสุขแม้ว่ากาลังจะตาย โดยใช้อารมณ์ขันเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นเวลานึกถึงเขานี่คนที่ดูหนังก็จะนึกถึงคนที่ช่วยทําให้คนนี่ออกจากความทุกข์นะมีความสึกที่ดีขึ้นกับตัวเองมีความหวังกับชีวิตนะเพราะฉะนั้นคนที่ได้ข่าวนี้ก็ก็เรียกว่าช็อกเหมือนกันนะเพราะว่า เขาฆ่าตัวตายนะไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุนะไม่ใช่เพราะเป็นมะเร็งในขณะที่เขาสามารถจะนําพาผู้คนให้ออกจากความทุกข์ได้จากหนังที่เขาเล่นแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพาตัวให้ออกจากความทุกข์ที่เกิดในจิตใจเขาได้แล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นโรคซึมเศร้านะโรคซึมเศร้านี้มาจากไหนนะส่วนหนึ่งก็มาจากความเครียด เขาเคลียร์เรืงนี้สินนะที่จริงเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินยุ่ยฉุยแฉกเท่าไหร่นะเป็นคนที่เรียบร้อยแต่ว่ า, าบังเอิญยายาสองครั้งนะยาแต่ละครั้งนี่มันต้องต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเยอะนะเขาแต่งงานสองครั้งหรือสามครั้งมากแล้วก็ยาไปสองครั้งนี้ก็ก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับอดีตภรรยาและอาจจะรวมถึงลูกด้วยเมืองนอกนี่ ค่าเล่งดูนี่มันแพงมากนะเขาก็จ่ายหนักเหมือนกันสมัยก่อนก็เป็นดาราที่ยังหนุ่มนะมันก็มีงานเข้าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีรายได้มากนะแต่ตอนหลังนี่งานก็เข้ามาน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีงานแสดงอันไหนเขาก็เลือกไม่ได้นะเนื่องจากว่าเป็นหนี้สินมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่งานแสดงที่เขาไม่ชอบ ไอ้ไม่ถนัดนี่เขาถนัดอยู่แล้วนะแต่เขาไม่ชอบเขาก็เลยต้องเล่นไนอะ้การเล่นในหนังที่ไม่ชอบนี่มันก็ทําให้เครียดได้เหมือนกันนะเครียดเรื่องนี่สิ็แล้วยังเครียดเรื่องไม่ชอบงานที่ทําแล้วตอนหลังนี่ต้องมาเล่นเล่นหนังเล่นละครเล่นอะไรเล่นในละครโทรทัศน์แบบซีรีส์นะ ไม่ใช่เป็นหนังโรงนะเป็นแต่เป็นหนังในโทรทัศน์ซึ่งาราคามันรู้สึกว่ามันมันลดเกรดนะก็เป็นดาราใหญ่นะเรียกว่าติดอันดับนะระดับตุ๊กตาทองเลยแต่ว่าต้องมาเล่นเป็นดาราในในหนังโทรทัศน์ก็รู้สึกว่ามันเป็นความร่มหลวยของเขานะแต่ก็ต้องเล่นนะเพราะว่าไม่มีเงินเพราะเป็นนี่ ไอความรู้สึกที่กดทับนี่แล้วก็หาทางออกไม่เจอก็ทำให้เขาค่าตัวตายอันนี้ก็เลยทำแม่ตามาเป็นนึกถึงในตึกรอย้ลพราซ่าเนี่ยตึกรยัลพราซ่านี่มันเป็นตึกที่สูงหลายชั้นนะเป็นสิบกว่าชั้นได้แล้วก็ตอนแรกก็มันก็พอไหวนะแต่พอสร้างเพิ่มอีกหลายชั้น ลูคาเยอะนี่โคราต์ก็สร้างเพิ่อมอีกหลายชั้นเพราะก็ว่าฐานนี่มันรับน้ําหนักไม่ไหวพอฐานรับน้ําหนักไม่ไหวก็มันก็ถล่มลงมาอันนี้ก็คงคล้ายๆชะตา ก, กรรมของหรือสภาพจิตใจของโรบินวินเลียมนะก็คือว่าพอเขาเป็นดาราดังมีชื่อมีเสียงแล้วนี่มันก็ต้องแบกรับชื่อเสียงเอาไว้เป็นดาราดังจะทำจะมาเล่นหนังก็คิกก็งนี่มันก็เสียชื่อเหมือนกัน นะแต่ว่าเขาก็คงจะทําใจไม่ได้แล้วก็ต้องมาเจอกับความเครียดจากการแสดงหนังที่ไม่ชอบเครียดจากหนี้สินนะไอ้พวกนี้มันกลายเป็นภาระทางจิตใจที่ต้องแบกรับจริงๆปัญหานี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีฐานที่เข้มแข็งนะภาระมันจะหนักแค่ไหนแต่ถ้ามีฐานที่เข้มแข็งมันก็รองรับได้ก็มีตึกหลายตึกน่าสามารถที่จะรองรับน้ําหนักของ ตัวตึกร้อยชั้นก็ยังรับได้เดีย๋ยวนี้มีตึกที่สูงเป็นร้อยชั้น <c oughs> ก็ยังไม่พังคลื่นลงมาเพราะว่าฐานมันเข้มแข็งแข็งแรงคนเรานี่ถึงยิ่งมีภาระมากนะยิ่งเด่นยิ่งดังยิ่งมีชื่อเสียงยิ่งต้องมียิ่งจะไปต้องมีฐานใจที่เข้มแข็งนะฐานใจที่แข็งแรงถ้าใจนี่ไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็ง ไอ้ภาระที่เกิดขึ้นมันก็กดทับจนกระทั่งเอาไม่อยู่นะทนไม่ได้อยู่ไม่ไหวหลายคนก็เลือกฆ่าตัวตายนะเพราะว่าฐานใจมันอ่อนแอคนเราถ้าเกิดรู้สึกว่ารู้ตัวว่าฐานใจไม่เข้มแข็งก็จะไปแบกอะไรมากนะปล่อยวางซะบ้างมีหนี้มีสินก็ปล่อยวางซะบ้างนะมีก็จ่าย มีน้อยก็จ่ายน้อยมีมากก็จ่ายมากไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายรอจ่ายวันหลังนะก็มีหลายคนนะเขามีหนี้สินเยอะแยะนั่นะเป็นพันๆล้านนะช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกตามแต่เาก็ไม่ขาตัวตายเพราะเขาปล่อยวางได้ไม่ใช้ไม่จ่ายนะันแต่ว่าขณะที่ยังไม่มีปัญญาจ่ายก็ไม่เอามาแบกเอาไว้ให้ใจทุกมีเงินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักปล่อยวาง ไม่ว่าจะเป็นหนี้ศินรวมทั้งชื่อเสียงนะชื่อเสียงที่มันเคยให้ความสุขกับเราเคยทําให้อัตตาพองโตแต่ว่าในบางครั้งนี่มันก็ทําให้อัตตานี่หรือใจนี่แฟบได้นะโดยเพาะเมื่อไม่ได้รับความสําเร็จหรือไม่ได้รับความยกย่องจากผู้คนนะหรืออย่างเนี่ยต้องมาเล่นหนังชั้นเกรด เกรดลงลงมานะไม่ใช่หนังโรงไม่ใช่หนังใหญ่แต่เป็นหนังในโทรทัศน์นะเขารู้สึกว่ามันเสียเกลียเสียเกียรติไปถ้าทําใจแบบนี้ไม่ได้มันก็เครียดแต่ถ้าทําใจได้นะมีความรักในสิ่งที่เล่นในสิ่งที่ทําไม่ว่าจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ก็เต็มที่กับมันแล้วก็มีความสุขกับมันไม่เครียดไม่แบกเอาไว้มันก็อยู่ได้ให้พวกเราต่อไปนะก็ ไม่ใช่ตอไปแม่งทุกวันนี้ก็ต้องระวังตัวนะว่าเรานี่จะเป็นอย่างตึกโลยัลพลาซ่าหรือเปล่านะนะตึกใหญ่สูงแต่ว่าฐานอ่อนแอนะถ้าหากว่าฐานยังไม่มั่นคงก็อย่าไปเพิ่มชั้นให้มันมากนะักหรือว่าถ้าจะเพิ่มชั้นให้มันมากหลายสิบชั้นก็ต้องเสริมฐานให้เข้มแข็งแข็งแรงก็คือฐานใจนั่นแหละนะฐานใจก็ภาวนานั่นแหละสติ สมาธิปัญญารวมทั้งขันตินะมันช่วยทำให้ใจนี่เข้มแข็งได้แล้วก็สามารถจะรับภาระได้รวมทั้งปล่อยวางภาระที่มันหนักไม่ให้เกินตัวได้แล้วก็เตรียมรับพร